หายดียังอืก hmm. ่อนก็พาวนาดีๆนะไปฝึกอะไรเพิ่มเติมเลยรวนไปพักใหญ่ละเออดีนะเล่นอะไรยุ่งยุ่งเลยมีหลายคนเลยฝึกมันก็ดีขึ้นดีขึ้นพอรู้สึกตัวได้แล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นแล้วก็เสียไปอีกรายเนี้ เรรู้สึกตัวขึ้นมาได้พักห น, นึ่งเนี่ยไปทำโน้นทำนี้ขึ้นมาอีกแล้วเสียอีกขึ้นขึ้ น, นลงลงมาหลายรอบแล้วโย <c oughs> นี่แหละนะใค่รู้สึกไปเรื่อยอย่าไปต่อยงใจมันดีแล้วละค่อยทำตอนเนี้ยไม่ดีแล้วอะ <c oughs> เป็นไงบ้างส่งกันบ้านไหมที่จริงเราง่ายๆนะง่ายๆจนเรานึกไม่ถึง เราไปวาภาพธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไกลๆอ่ะนะต้องทำไปนานๆถึงจะรู้จะเห็นเราลืมไปอย่างว่าเราเกิดมากระธรรมะนะอยู่กับธรรมะทุกวันธรรมะไม่เคยหนีไปไหนเลยนี่เราดูผิดที่ตัวธรรมะหรือตัวสภาวธรรมจริงมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่กับเราเนี่ยสามอย่างแล้ว จิตเจตสิกับรูปคือกายกับใจรวบลงมาก็เป็นกายกับใจนั่นเอหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อไม่เจอนานหลวงพ่อขับใครขับกลรนั้นธรมมรมะอยู่กับตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรนะก็คือรูปกับนามกายกับใจนี้แหละอย่าไปเที่ยวหาธรมมารมะที่อื่นให้เรียนเข้ามาที่รูปนามที่กายที่ใจนี้ครูบาอาจารย์วัดป่า ผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันต่อๆมาบอกการปฏิบัตินะ่ะให้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันรูปนามของจริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นด้วยไม่อยู่ในอดีตอดีตจบไปแล้วไม่มีแล้วนะในอนาคตก็ยังไม่มีรูปนามจริงๆอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือขนาดจิตต่อหน้าต่อตาเราเองปัจจุบันไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่ง ปัจจุบันก็คือตอนหน้าต่อตานี้แว บ, บเดียวนี้เองเนี่ยรูปนามของจริงอยู่ในปัจจุบันงนั้นทำไงเราจะสามารถเห็นอยู่ในปัจจุบันใจของเราชอบลงไปชอบไหลไปนะไหลไปอดีตไปอนาคตไหลไปในโลกของความคิดเห็นไหมคุณด้อยทำอะไรทราบไหม <c oughs> นะดีละนะค่อยฟื้นแล้วนะ รู้สึกฟึดซมหลายเดือนนะไงเชอรี่เป็นไงบ้างเชอรี่ใช่ไหมเผลอบ่อยไหมเออเผลอบ่อยดีอย่าเผลอนานนะคิดทั้งวันแหละนะแต่ว่าคิดแล้วเราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไหมเราไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไปอดีตแฟนนักโทษหมดไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้ จิตทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยั็คื อ, อฟัง ต, <c oughs> ตามจิตบอกพูดนะสังเกตไหมว่าฟังแล้วก็คิดนะเมื่อเชื่อจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดถ้าเราไม่ไม่รู้ทันว่าหนีไปคิดก็เรียกหลงคิดนะมันไปดูรู้ไม่ทันก็เรียกหลงดูมันไปฟังรู้ไม่ทันก็เรียกหลงฟัง คือเมื่อไรเรารู้ไม่เท่าทานันพฤติกรรมของจิตก็คือหลงจิตของเราแอบทำงานตลอดเวลารู้สึกไหมจิตแอบทำงานตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการดูจิตคือการนั่งเฝ้าเอาไว้นะส่วนใหญ่พวกที่บอกดูจิตดูจิตแนละ้วกลายเป็นพวกเพ่งจิตใช้ไม่ได้นะเพ่งจิตก็เป็นสมถะเพ่งกายก็เป็นสมถะ ตามรู้กายตามรู้จิตอย่างเงี้ยถึงจะเดินวิปัสสนาได้แต่วันนี้ทำไมมันหนักกว่าวันก่อนเออเอเอกระตุกกระดิกไว้นะอย่านั่งนิ่งนิ่งเหรอคือสังเกตไหมว่าใจเราชอบแอบไปทำงานอันนี้ดูออกไหม เนี่ยอย่างหนูนาเนี่ยแอบไปทำงานดูออกไหมหน้าที่ไม่มีอะไรมากหรอกนะเขาแอบไปทำงานรีบรู้ยไว้ทันทีที่รู้ทันมันมันจะหยุดความปรุงแต่งเราอย่าไปวาดภาพนะว่านิพพานคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทีแรกก็ธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่อยากปฏิบัติมากเฉลยให้ฟังแล้วนะธรรมะคือรูปธรรมกับนามธรรมคือกายกับใจนี่ ให้มีสติคอยรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆจนกระทั่งรู้ความจริงว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะนี่เรียกว่าเข้าใจธรรมะนิพพานอนะ่ะอยากได้นิพพานอีกนะทีแรกอยากปฏิบัติธรรมเลยไม่รู้ว่าธรรมะคือกายกับใจไม่มาดูกายดูใจนี่อยากได้นิพพานอีกนิพพานคืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลๆอีกอะไรต้องทําไปนานๆแล้ววันหนึ่งจะเห็น ไม่รู้หรอกว่านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาอีกแหละนิพพานคือสภาวะนะมีลักษณะอันหนึง่งเรียกว่าสันติสันติลักษณะสันติลักษณะหมายถึงมันสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสเนี่ยมีชื่ออันหนึ่งว่าวิราคะนิพพานมีชื่อว่าวิราคะไม่อยากถ้ายังอยากอยู่ก็นิพานนนพานไม่ได้เห็นนิพพานไม่ได้ อยากปฏิบัติก็เห็นนิพพานไม่ได้นิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งจิตแล้วแอบปรุงแต่งตลอดเวลาเจ้าของไม่เคยเห็นไม่มีวันนิพพานหรอกไม่มีวันเจอสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งคุณอ้อยอปรุงแต่งอะไรทราบไหมไปดูมันปรุงแต่งแอบทำอะไรทราบไหมเมื่อกีเนี้ยแอบไปคิดรู้ไหม สังเกตไหมตอนที่เราคิดนะเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองเรียกทิ้งธรรมะไปละทิ้งปัจจุบันธรรมไปแล้วไปหาธรรมะที่อื่นนะหาไงก็ไม่เจอหรอกหาไงก็ไม่เข้าใจเนี่ยหนีไปคิดอย่างเนี้ยรู้จักยังมันหลงนะไปทําอะไรเมื่อกี้เนี้ย นี่พวกห้องแชทเหมือนกันเหรอหรือรอมากกว่าคุณอ้อยอ๋อนี่ทีมคุณอ้อยเหรออ๋อแล้วไตอ่อะไตามาคนเดียวนะทิ้งเมียนี่หละพวกนี้มาจากไหนกันนะเก่งเนาะคุยธรรมะกันก็ดีดีกว่าคุยอาธรรม ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการด้วยการฟังนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาด้วยการฟังเอาด้วยการอ่านเอาด้วยการไปถามอาจารย์ธรรมะเรียนได้ด้วยการเข้าไปประจักษ์มันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเป็นของอยู่ต่อหน้าต่อตา อ, อ, อย่าเผลออย่าลืมตัวสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีสองอันนะง่ายๆสองอัน อันหนึ่งคือหลงไปเผลอไปใจลอยไปขาดสติใจไหลาตามกิเลสไปเมื่อไรจิตใจไหลาตามกิเลสไปก็จะไปรู้สมมติบัญญัติไปหลงโลกหลงอารมณ์ไปเช่นเราใจลอยเวลาเราใจลอยเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาวิปัสสนารู้อยู่ที่กายที่ใจอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อ การปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองนี่พวกเรามากักจะขาดสติขาดสติก็คือลืมตัวเองนะลืมตัวเองแนละ้วมันไปทำอะไรมันลืมตัวเองมันไปดูเห็นคนเดินมาก็ไปดูเขาลืมตัวเองมันไปฟังอย่างข้างบ้านคุยอะไรกันนะฟังรู้เรื่องหมดเลยแต่ลืมตัวเองมันไปดมกลิ่นลิ้มรสไปสัมผัสทางกาย มันหลงไปทางใจหลงไปทางใจทำงานเยอะๆเลยเช่นหลงไปคิดหลงเผลอๆไปคิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าเผลอๆไปใจลอยๆเคยเป็นไหมเผลอไปหลงไปอย่างนั้นเรียกว่าขาดสติสุดขีดเลยนะระดับที่รองลงมาหน่อยหนึ่งก็คือไปคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจนี่ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันหลงปฏิบัตินะนพวกนี้กลับข้างพวกหนึ่งไหลาตามกิเลสไป เผลอไปลงไปอีกพวกหนึ่งนักปฏิบัตินั่งเพ่งนั่งจ้องการนั่งเพ่งนั่งจ้องนี้แหละทำให้รู้สภาวะธรรมไม่ได้เพราะการเพ่งไว้เนี่ยมันทำให้สภาวะธรรมทั้งหลายหยุดนิ่งเป็นการเข้าไปแทรกแซงตัวสภาวะ mm hmm. เช่นจิตใจของเราจะเกิดกิเลสแทนที่เราจะเห็นกิเลสเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเห็นความเกิดดับของนามธรรม เราก็ไปนั่งเพ่งเอาไว้เพ่งลมหายใจเพ่งจิต<ๆ>เพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเสร็จแล้วก็นิ่งๆซึมๆทื่อๆมันคนคิดว่าถ้าซึมได้ที่ทื่อได้ที่เราจะรู้ธรรมมันรู้ได้ยังไงไปดัดแปลงธรรมะอยู่ไปบิดเบือนธรรมะอยู่อยากรู้ธรรมะก็รู้เข้าไปตรงๆเลยจะเห็นเลยกายนี้แปรปรวนตลอดเวลาจิตนี้แปรปรวนตลอดเวลากายนี้เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์รู้ลงที่กายที่ใจ มีบางคนสงสัยว่าควรจะรู้กายหรือรู้ใจนี่ขึ้นกับจริตนิสัยคนไม่มีการปฏิบัติแบบสำเร็จรูปนะไม่มีการปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถ้ามีวิธีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนแล้วละ่ะนี่ทำไมท่านไม่สอนเพราะมันไม่มีวิธีการปฏิบัติมีมากมายก็เหมาะกับจริตนิสัยของคนที่ต่างกัน ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนะี่ยเราต้องมาสำรวจตัวเองก่อนมาศึกษาวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนถ้ากระทั่งศักยภาพตัวเองหรือลักษณะของตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยก็จะปฏิบัติตามยะถากรรมนะขั้นแรกสุดเลยเราต้องมาสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีจริตอะไรจริตเนี่ยไม่ใช่ราคาจริตโทสจริตโมหจริตนะ ไม่ใช่ไม่ใช่พุท ธ, ธิจริตศรัท ธ, ธาจริตวิตกจริตแต่จริตที่เราจะใช้วัดตัวเองในเบื้องต้นเลยว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนดีมีสองอันตันหจริตกับทิฏฐจริตคนที่มีตันหจริตคือพวกโลภมากพวกอยากมากอยากได้แต่อารมณ์ที่ดีๆไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ดีอยากได้อารมณ์ดีเช่นชอบรูปสวยๆชอบเสียงเพราะๆ ชอบจิตใจที่มันสงบสุขงั้นบางคนไม่อยากยุ่งกับโลกเลยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยแล้วคิดว่าไม่ได้มีตันหาจริตความจริงนั้นตันหาจริตถ้าใครรู้สึกอยากจะไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครชีวิตนี้จะได้มีความสุขความสงบเนะีย่ยใจน้อมไปในทางตันหาจริตถ้าจิตใจของเราเป็นแบบนี้แล้วก็เหมาะกับการพิจารณากาย แต่ถ้าเรามีทิฏฐิจริตนตัณหาจริตเนี่ยพวกโลภมากพวกอยากมากอยากในอารมณ์ที่ดีเกลียดอารมณ์ไม่ดีพวกทิฏฐิจริตเนี่ยพวกชอบวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีสัง เ, เกตนะพวกปัญญชนเนี่ชอบคิดมากพวกคิดมากวันๆไม่มีอะไรทํานั่งคิดลูกเดียวได้คิดแล้วมีความสุขเนี่ยพวกแชทเชิดอะไรนี่แหละนะพวกทิฏฐิจริตแหละ วันๆไม่ได้เถียงกับใครเรากลุ้มใจได้คุยได้อะไรแล้วแมมมันมีความสุขนะใช่ไหมอติอยู่สงบสงบแมอยากสงบแต่มันก็อยากคุยด้วยอะไรเป็นตัวเด่นเป็นตัวที่โดมิเนตพฤติกรรมเราสังเกตดูอยากได้อารมณ์ที่ดีหรือว่าอยากวิพากวิจารอารมณ์เห็นคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ถูกนี้ไม่ถูก พวกมาตรฐานเยอะนี่พวกทิฏฐิจริตใครทำผิดจากมาตรฐานเราโมโหเลยพวกเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการนีพวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะที่จะรู้จิตนะงั้นถ้าเป็นพวกโลบมากเหมาะที่จะรู้กายทำไมถึงเหมาะที่จะรู้กายเพราะกายเนี่ยมันฟ้องความจริงให้ดูกายลรเวทนามันฟ้องให้ดูว่าความสุขจริงๆในโลกนี้ไม่มีหรอก เพราะฉะั้นอย่าเที่ยวสแสวงหาความสุขเลยให้ยากเลยพวกตัญหาจริต จ, จะอยากหาความสุขพอมารู้กายลงมาจริงๆจะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์ความทุกข์บีบคั้นกายอยุดเนืองเนองอย่างถ้าเราไม่เคยเจริญสติเราจะรู้สึกว่ากายนี้นานๆทุกทีหนึ่งแต่ถ้าเราเจริญสติเราจะรู้สึกเลยกายนี้ทุกตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอ น, นั่งเฉยๆก็เมื่อย เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เราแอบขยับเราหนีความทุกข์ไปเราก็เลยมองทุกข์ไม่ออกขยับหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยความเคยชินสังเกตไหมเรานั่งนิ่งไม่ได้สังเกตไหมร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกบ้างไหมการรู้สึกนะเดี๋ยวจะต้องเรียนไปถึงวิธีรู้สึกด้วยนี่เรื่องที่ต้องเรียนมีเยอะเพราะงั้ น, นจใจร้อนนะเรียนธรรมะเรียนวิชาทางโลกตั้งหลายปีกว่าจะได้ปริญญาเรียนตั้งสิบกว่าปี บางคนเรียนธรรมะทีเดียวยาวให้เข้าใจไม่เข้าใจหรอกมันจะแน่สักแค่ไหนมันจะเข้าใจเนาะ <c oughs> มีเหมือนกันคนฟังทีเดียวเข้าใจสิ่งที่ต้องเรียนะเยอะนะอย่างเราจะรู้กายเนี่ยวิธีรู้รู้ยังไงนี่เราแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองว่าทําไมต้องรู้กายพวกโลกมากชอบแนวอารมณ์ที่สุขที่สบายมารู้กายไว้รู้เวทนาไว้จะเห็นเลยกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นเนือง ความสุขไม่มีจริงอย่าเที่ยวไปวิ่งหาเลยไม่เจอหรอกนี่ยมันจะแก้ปัญหาโดยตรงดัดนิสัยโดยตรงส่วนพวกคิดมากจะเห็นเลยยึดมั่นในอุดมการณ์เหนียวแน่นพวกนี้ถ้ามาดูจิตเนียจะรู้เลยจิตนี้เกิดดับรวดเร็วมากเลยจะหาคนหลายใจสักคนหนึ่งนะไม่ต้องหาที่อื่นเลยหาที่ตัวเองเนีจิตใจตัวเองเปลี่ยนแปลงทั้งวันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเลย จะไปยึดมั่นอุดมการอะไรนักหนาจะไปยึดความคิดความเห็นของตัวเองอะไรนักหนาใจตัวเองยังเปลี่ยนทั้งวันเลยพอเห็นความจริงอย่างเงี้ยความยึดถือในความคิดความเห็นจะลดลงเนั้นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยเหมาะที่จะมารู้จิตเพราะจิตนี่เกิดดับรวดเร็วมากแปรปรวนนี่บางคนสงสัยว้าทาไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องสาขาจริตโทสาจริตโมหาจริตจริตโทอันนะั้นไว้ทาสมถะ นีขั้นแรกสุดเราต้องรู้กว่าเราควรจะทำมิปัสสนาด้วยการรู้กายหรือรู้จิตถัดจากนั้นเนี่ยเรามาดูเงื่อนไขของการรู้กายกับเงื่อนไขของการรู้จิตเงื่อนไขของการรู้กายเนี่ยคนที่จะรู้กายได้ดีจิตต้องมีสมาธิสูงอยู่ยแล้วเพราะฉะนการรู้กายเนี่ยเหมาะกับพวกที่ทำความสงบเหมาะกับสมถยา น, นิกยิ่งทาถึงชาญได้ยิ่งดี เพระฉะนั้ครูบาอาจารย์วัดป่าที่ท่านเดินกายนี่ยท่านทําฌานก่อนทั้นทําสมาธิจนถึงอัปนาสมาธิถ้าอัปนาไม่ได้อย่างน้อยต้ได้อุปจาราสมาธินะชาววัดป่าที่เดินกายถ้าเมื่อไหรทิ้งสมาธิก็คือทิ้งเครื่องมือสําคัญของการปฏิบัติการปฏิบัติไปไม่รอดหรอกเพราะว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิคคำภีรสอนไว้ตรงตรงเลย หลวงปู่มั่นพาลูกฝิดลูกหาทำได้ผลมากว่าถูกกับตำราเปรียบเลยนี่หลวงปู่ดูลเนี่ยคนไปเรียนกับท่านส่วนมากพวกปัญญาชนไปเรียนเยอะพวกนี้คิดมากท่านก็สอนให้ดูจิตแต่ไม่ใช่หลวงปู่ดูลสอนแต่ดูจิตนะลูกฝิดบางคนท่านก็ให้พิจารณ์กายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เก่งจริงๆเนี่ยจะไม่สอนอะไรซ้ํำซากอยู่ในรูปแบบอันเดียว ดังนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีครูบาอาจารย์ที่แตกฉานจริงๆนะสอนกว้างกวางมากเลยสอนตามจริตลูกศิษย์ไม่ใช่สอนตามใจตัวเองลูกศิษย์ก็อย่าโ ง, ง่นะอย่าคิดแต่ว่าวิธีของอาจารย์เราดีที่สุดนะนพวกแชทแชทนี่พวกนั่งดูจิตนะอย่าคิดว่าการดูจิตดีที่สุดหนระือพวกชอบพุทธโธพี่นักกายก็อย่าไปคิดว่าพี่นักกายดีที่สุดมันเหมาะกับจลิตต่างๆกัน เนี้นหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าถ้าจะรู้กายเนี่ยต้องทําสมาธิซะหน่อยถ้าจะรู้จิตเนี่ยการรู้จิตเนี่ยพวกที่รู้จิตเนี่คือพวกคิดมากทําสมาธิไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จักตัวเองไหมาทาสมาธิไม่ได้ไม่มีทางเรื่องอื่นเลยนอกจากการรู้เข้าไปตรงๆท่านถึงสอนบอกว่าจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่จเจริญสติจเจริญปัญญาเข้าไปตรงๆเลย เสร็จแล้วเมื่อจเจริญสติจเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งนี้จิตจะรวมเข้าปัญนาสมาธิของมันเองเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิแต่ถ้าทําความสงบแล้วไปรู้กายเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาดังั้นทางเดินมีสองสายคราวนี้เราก็รู้แล้วนะว่าถ้าจะเดินกายต้องใช้สมาธิเยอะดังนั้นมันถึงวิธีเลือกเลือกอารมณ์ของสมาธิ การจะเลือกอารมณ์ของสมาธิเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองอีกะที่แรกหลวงพ่อบอกแล้วนะการเลือกอารมณ์ของมิจัาสมาก็เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวเองการเลือกอารมณ์ของสมาธิก็เกิดจากการวิเคราะห์ตัวเองจริตในการทํามิจัาสมามีแค่สองแต่จริตในการทําสมาธิมีหกอันราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธจริตวิตตกจริตศรัทธาจริตมีหกอัน ถ้าเราสามารถเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับจริตจิตก็จะสงบง่ายทํากรรมฐานที่ไม่เหมาะกับจริตน่ะก็มักจะไม่ได้ผลนี่การทําความสงบน่ไม่ใช่ทําความเคลื่อนเคลื่ต้องเรียนให้ดีนะไม่ใช่เราจะมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกแล้วเคลื่ลืมเนื้อลืมตัวริปรี่ริปรี่อันนั้นมันไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้ว สมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอขาดสติไม่ได้เลยหลวงปู่สุวัฒด์นะเอเจำหลวงปู่สุวัฒด์ได้ใช่ไหมปู่สุวัฒด์สอนไว้ชัดๆเลยเอ้าวพวกเราทำสมาธิกันวันนี้ทำสมาธินั่งตัวตรงๆขากวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดารงสติให้ใหดีอย่าให้ขาดสติหายใจเข้ารู้สึกตัวมริกรรมวาพุธ หายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโถหายใจไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปหลวงปู่สอนอย่างนี้ลองไปทดสอบถามลูกศิษย์หลวงปู่เลยเมื่อคือหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกขาขวาทับ ข, า, ขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดําลงสติไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหลวงปู่ไม่ได้สอนอย่างนี้สักหน่อย หลวงปู่ไม่ได้สอนมาให้หายใจเข้าพุธหายใจออกโทท่านสอนหายใจเข้ารู้สึกตัวนะบริกรรมว่าพุธหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโทเห็นไหมจิตของพวกเราเวลาเรียนธรรมะนะเราจะตัดเอาธรรมะที่สําคัญทิ้งเสมอเนะนี่ยหลวงปู่มั่นถึงสอนเนี่ยจิตปู่ตูชนนะรองรับธรรมะไม่ได้จริงหรอกธรรมะเข้าไปอยู่ในจิตปู่ตชนจะเป็นสัตธรรมปฏิรูปเสมอแหละ ค่อยๆเรียนนะเรื่องที่เรียนต้องเยอะแยะเลยในเรื่องของสมาธินะต้องเรียนหรือบางคนบอกว่าจะดูกายไปเลยนะไม่ทำสมาธิหรือดูจิตไปเลยไม่เรียนเรื่องจิตอะไรทำไม่ได้นะหลักสูตรของพระพุทธเจ้ามีสามบทศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาต้องเรียนให้ครบนะไม่ใช่อยู่ๆก็จะเจริญปัญญาไม่เคยเรียนเรื่องจิตเสร็จแล้วก็จะไปนั่งเพ่ง บัญญาเกิดไม่ได้หรอกเพราะไม่มีสติและสัมปชัญญะเกิดแต่การเพ่งเอาได้แต่สติวันนี้เรื่องเรียนต้องเยอะนะมีเรียนเยอะแยะเลยอย่าใจร้อนเรียนไม่รู้เรื่องก็ทนนฟังไปเรื่อยๆนะฟังไม่รู้เรื่องไปเอาหนังสือหลวงพ่อเขียนไว้เยอะแยะนะไปอ่านคนที่อ่านแล้วโสกขึ้นมาเลยก็มีนะ